พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่แปดสิบแปดมีสีเป็นอารมณ์แต่ปรารภจะให้อันนี้ก็เป็นกุศลสองมีมีสีเป็นอารมณ์จะเป็นกุศละศีลก็เพราะสังวรวิรัตงดเวนจะเป็นภาวนากุศลก็พิจารณารูปารมณ์เป็นต้นเหล่านั้นแหละโดยความเป็นของมีแล้วไม่มีมีแล้วหมดไปแต่เพราะปัจจัยก็ทำให้มีขึ้น เพราะหมดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถึงความเสื่อมสิ้นไปแต่ถ้ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นอีกนั่นแหละมีแล้วหามีไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวนากุศลโดยการพิจารณาสีเป็นอารมณ์บางคนก็เป็นกุศลทางกายกรรมบางคนก็เป็นกุศลทางวจีกรรมบางคนก็เป็นกุศลเพราะมะโนกรรม เพราในขณะที่กุศลจิตนี้เกิดขึ้นผัสโสโหติมีเวทนาเกิดขึ้นสัญญาโหติมีสัญญาเกิดขึ้นเจตนาโหติมีเจตนาเกิดขึ้นจิตตังโหติมีจิตเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีวิตกมีวิจารณ์ใช่ไหมวิตกเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นฉันทะเกิดขึ้นวิริยะเกิดขึ้นสัตธินสสมาธินสีวิริยนรินสีสติน พวกอินทรีย์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นในขณะจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นกุศลจิตก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้กุศลจิตถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถที่จะอบรมกุศลจิตนี่ให้เกิดขึ้นได้บ่อยเกิดขึ้นได้มากกุศลธรรมเหล่านี้นี่แหละจะเป็นอุปนิสัยเพื่อการตรัสรู้ธรรมในต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามในกุศลธรรมที่เป็นไปตามพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทิดบางคนนี่เกิดมาก็กำพ้าพ่อกํำพ้าแม่มาแล้วนะมีลูกมีหลานลูกหลานก็จากไปกำพ้าลูกกำพ้าหลานอีกแต่ขออย่างหนึ่งอย่าเพิ่งกำพ้าทางใจก็แล้วกันอย่ากำพ้าตาสนาอีกเลยอย่าไหมถ้ากำพ้าตาสนักกำพ้าพระพุทธเจ้ากำพ้าพระธรรมกำพ้าพระสงฆ์อีกหนักขึ้นในอีก ชีวิตมันท่างอาภัพจริงเนาะพราะนั้นเราทั้งหลายก็อย่าได้มีความกําน้าทางจิตใจคือในส่วนที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยชีวิตของบางท่านเนี่ยเกิดมาจนถึงป่านนี้แล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วส่วนที่เหลือก็มาไม่ให้กําน้าใจอะ่นะอย่างน้อยๆที่สุดก็ให้มีใจเป็นใจที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีใจที่มีพระธรรมเป็นสารณะมีใจที่มีพระสงฆ์เป็นสารณะ แล้วก็ใจที่มีสารณะใจที่มีที่พึ่งเหล่านี้จะเป็นใจที่มีคุณมากมายมหาศาลเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ทิ้งเราหรอกพระพุทธเจ้าก็จะชี้ให้เราเห็นว่าโอนี้นี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเราก็สามารถที่จะพ้นทุกจากวัตทุกเหล่านี้ได้ เพราะอาศัยสารณะอันกเกษมถ้าหากว่าส่วนที่แก้ไขอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะไปนั่งบอกลูกยังไม่ทันบอกเลยแม่ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วแต่อย่างนี้ก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปบอกเขาแล้วเขารู้แล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วที่เหลือก็บอกเรานะใจเอยใจอย่าไปโกรธเขานะเราก็มาด้วยบุญของเราเพราะเราคิดอะไรให้มันเป็นบุญไว้เยอะๆเราจะได้ไปดีเกิดมาชาตินี้ช่างมันเถอ พรอเราเนี่ยทำกรรมไว้ไม่ดีเวลาทําบุญก็ไม่มีความเคารพใหม่มีความยําเกรงบุญกุศลที่เราไม่ได้ทําด้วยความเคารพยําเกรงมีลูกมีล้านลูกล้านก็ไม่เชื่อไม่ฟังเอาใหม่นะฉันจะทําบุญใหม่ทําด้วยความเคารพยําเกรงเชื่อบุญในเรื่องกรรมและผลของกรรมทําด้วยกุศลเจตนาที่ดีอนาคตชีวิตต่อไปจะได้ดีขึ้นถามว่าลูกหลานไม่เชื่อฟังกรรมอะไรให้ผลรู้ไหม กรรมที่ทํากุศลไม่ทําด้วยความเคารพไม่ทําด้วยมือตัวเองไม่ทําด้วยเชื่อมั่นในหลักกรรมในผลของกรรมกรรมชนิดนี้แหละบุญกุศลที่ทําแบบทิ้งๆข้งข้างๆอะ่ะเวลากรรมตัวนั้นให้ผลมาลูกหลานก็ไม่เชื่อฟังมีบริวารบริวารก็ไม่เชื่อฟังมีคนใช้คนใช้ก็ไม่ฟังอะไรทําอะไรก็ผิดหวังผิดพลาดไปทั้งหมดเลยลักษณะนี้แหละก็มาจาก ไม่มีความรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ทําด้วยมือของตนเองลักษณะนี้แหละเป็นเหตุให้กรํารพาลูกกรํราพาหลานแต่ยังไงยังไงกรํารพาแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วเนาะที่แก้ไขได้ในตอนนี้ก็คืออย่ากําพาศาสนาจิตใจของเราอย่าได้กําพราจากคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ในความประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไปตามธรรมตามวินัยตา ม, าตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาลึกซึง้งผู้มีพระปัญญากว้างขวางผู้มีพระปัญญาละเอียดอ่อนทรงรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ธ, ธรรมประพฤติปฏิบัติอยู่ในโพธิปักขียธรรม37ประการขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันประเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวทรงแสดงทรงบัญญัติทรงแต่งตั้งเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นสติปทานสี่เป็นต้นคอนอบน้อมแด่โมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ดำเนินผู้เจริญรอยตามประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคขอความสุขความเจริญความเยือกเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอทิตย์นหนึ่งนะเรามาร่วมฟังทำกัน แสดงว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ผ่านมาแล้วอาทิตย์หน้าก็ยังไม่มาถึงอาทิตย์นี้จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างตรงนี้แหละคือสาระที่สําคัญเนาะมากอาทิตย์ที่แล้วฟังก็ได้บุญไปแล้วอ่ะเนาะบุญนั้นก็หมดไปแล้วอะ่ะทีนี้ก็ต้องทําใหม่คือคําว่าบุญหมดไปแล้วหมายความว่ากุศลจิตนั้นก็ดับไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วอันในส่วนตรงนี้นั้นเราสามารถที่จะเจริญ ให้จิตของเราเป็นกุศลได้อันนี้เป็นความฉลาดแห่งจิตของเราเพราะว่าทุกคนเนี่ยยังไงก็คิดอยู่แล้วเนอะมานั่งอยู่ตรงนี้ใครไม่คิดได้ไหมไม่คิดก็มีอยู่อย่างเดียวหลับแต่หลับก็ยังถือว่าคิดอยู่เหมือนกันนะถือว่ารู้อารมณ์ในอดีตเพราะว่าธรรมชาติของจิตจินเตติจิตตังธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตเพราะคิดหรือรู้อารมณ์ ทีนี้เมื่อจิตมันคิดมันรู้อารมณ์แล้วจิตเราเนี่ยน้อมไปเพื่อจะรู้อะไรคือแล้วแต่เราจะน้อมไปน้อมไปเพื่อรู้สีก็ได้น้อมจิตไปเพื่อได้ยินเสียงก็ได้น้อมจิตไปเพื่อที่จะถ้าอยู่ตรงนี้รู้กลิ่นได้ไหมถ้ามียาดมมาันก็ดมยาดมเดมี๋ยวก็น้อมจิตไปเพื่อรู้กลิ่นถ้าน้อมจิตไปเพื่อรู้รสหาลูกอมมาอมเอาแต่กายนี่ยังไงก็มีอยู่แล้วเนาะ ร้อนบ้างเย็นบ้างพัดลมเป่ามาก็เย็นเย็นท้านหน่อยมันไม่เป่ามาก็ร้อนไปนิดนึงแต่ใจก็นึกคิดไปเรื่อยเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปความคิดเนี่ยมันก็คิดไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแต่เรื่องที่มันคิดก็เปลี่ยนไปตามอำนาจของความคิดเพราะว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันตรึกเอาถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเข้ามา เหตุการณ์เรื่องราวนั้นทั้งที่เป็นอดีตบ้างทั้งที่เป็นอนาคตบ้างแล้วก็เรื่องที่กําลังมีอยู่ในขณะนี้บ้างความนึกคิดนี้ก็เป็นไปตามอารมณ์เพราะจิตนี้ตรึกถึงอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์เปลี่ยนไปสภาพของจิตก็เปลี่ยนไปด้วยที่จริงอารมณ์เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละแต่จิตของเราเนี่ยน้อมไปเพื่อที่จะรู้อารมณ์เหล่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเราผู้ศึกษาพระธรรมคําคสอนเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะรู้อารมณ์เพราะว่าการเลือกที่จะรู้อารมณ์นั้นเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพจิตให้กุศลจิตเราเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่เลือกที่จะรู้เราปล่อยให้จิตรู้ไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเฉ ย, เ, ย, ยเขาเรียกว่าคนที่ฟุง้งซ่านคิดไปเรื่อยมันก็เหมือนกับรถที่ไม่มีที่จอดอหรือว่า เครื่องบินที่ไม่มีลานลงอ่ะมันก็บินไปเรื่อยบินไปโน่นทีไปนี่ทีความคิดของเราก็เหมือนกันหมุนเวียนสับเปลี่ยนคิดไปเรื่อยถามว่าคิดทำไมคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรเคยถามนะเอ๊ที่เรามานั่งคิดอยู่ตั้งชั่วโมงหนึ่งเอ้คิดแล้วมันได้อะไรบ้างเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษควรคิดไหมเออพระธรรมว่าไว้อย่างไงบ้างความคิดในลักษณะนี้ อันเราก็เอาพระธรรมมาสอบสวนความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ทําคําที่พูดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นเหมือนกับกระจกเขาบอกว่าดูก่อนราหุลกระจกหรือแว่นมีไว้ทําอะไรเอาไว้ส่องพระเจ้าคานั่นแหละเหมือนกันพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเพื่อให้เอาไว้สอดสองทางกายกรรมของเราสอดสองทางวาจีกรรมของเราสอดสองทางมโนกรรมของเราเราก็ มีการแสดงออกมีพฤติกรรมมีคำพูดอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันเป็นสาระเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ขวนขวายสแสวงหาสิ่งนั้นทั้งสิ่งที่เป็นสาระที่สุดอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องช่วยส่งเสริมสนับสนุนสภาพจิตของเราให้เป็นจิตที่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งนั้นน่ะก็ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นไปกับพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคที่จริงพระธรรมคาสอนก็เป็น อารามมณะปัจจัยให้จิตของเราท่านเรายัางไงก็ต้องมีจิตอยู่แล้วรับรู้อารมณ์ทั้นการรับรู้อารมณ์นั้นถ้าเป็นรับรู้พระธรรมคําคสอนเป็นไปเพื่อกระตุน้นเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตและก็สุขภาพจิตของเราไปด้วยอ่าวันนี้ก็จะขอยกข้อความในสุตันตปิฎกคุถกานิกายสุตตะนิบาศเหมมวะตะสุตรครั้งที่แล้วเรื่องอะไรเนาะ ใครจำได้บ้างครั้งก่อนนู้นลอยไปนรกขนาดชื่อเรื่องยังจำไม่ได้นะดีนะถ้าเป็นเป็นเรื่องเป็นราวมาต่อกันอาทิตย์ละตอนอาทิตย์ละตอนนี่รับรองจำไม่ได้ทุกอย่างหัวข้อเรื่องยังจำไม่ได้เลยส่วนใหญ่ก็คือพูดไล่ตั้งแต่นรกเปรตแล้วก็มาเดราชานบ้างครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของพ่อของแม่ แต่วันนี้มาฟังเรื่องของยักษ์บ้างจะเป็นยังไงว่าความเป็นไปความเป็นมาของยักษ์นั้นนะมีลักษณะอย่างไรข้อความในอัตกถาเหมวัตตะสูตรกล่าวว่าในพัทธกัปนี้แหลคือในกัปของเรานี่เขาเรียกว่าพัทธกัปมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำสเรระกิจด้วยการบูชาใหญ่แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ คือพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะนี้ผู้ทรงอุบัติเกิดขึ้นในสมัยที่คนทั้งหลายมีอายุสองหมื่นปีคือในกัปของเรามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วสองค์องค์ทุกวันก็นับเป็นองค์ที่สองค์ที่หนึ่งชื่อว่ากากูสันโตองค์ที่สองชื่อว่าโกนาคมโนหรือโกนาคมองค์ที่สามชื่อว่ากัสปะองค์ที่สามที่ทรงพระนามว่ากัสปะนี้มีอายุ ในยุคนั้นอ่ะเบ็ดเสรจแล้วประมาณสอง0 0ปีตายแต่พระผู้มีพระภาคทรงพนามวาัคซสปะนั้นมีพระชนมายุได้ 16,000 ปีแล้วก็ปรนินิพันธ์พระธาตุทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพนามวาัคซ์ปะนั้นไม่กระจัดกระจายตั้งอยู่เป็นก้อนเดียวกันคือกระดูกไม่แตกกระดูกเนี่ยอยู่เป็นก้อนเป็นแท่งเท็บเลยไม่แตกกระจาย เหมือนก้อนทองคําฉะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมายุยืนพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่มีอายุเป็นหมื่นหมื่นปีนี้พระสิริธรรมหรือพระบรมสารีริกธาตุไม่แตกกระจายส่วนพระผู้มีพระภาคผู้มีพระชนมายุน้อยทั้งหลายอันชนจํานวนมากยังไม่ทันเห็นก็เสด็จปรินิพานเสียก่อนอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราใช่ไหมก็มีพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ย แตกกระจายไปอยู่พระธาตุทั้งหลายจงกระจัดกระจายคือพระองค์ก่อนดับขันพริปิพานเนี่ยอธิษฐานให้กระดูกแตกด้วยทรงอนุเคราะห์ว่าชนทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นนั้นแม้ทําการบูชาพระธาตุแล้วจักประสบบุญใครเคยไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพบ้างคะนั่นแหละโอ้แสดงว่าไปมามีใครหลงมั่งไม่เคยไปอ่ะไม่มีเนอะของธรรมายังเผยเลยอ่ะ แสดงว่าได้บุญกันเยอะแล้ได้เคยไปไหว้พระธาตุกันเพราะว่าคนที่ทําการบูชาพระธาตุแล้วจักประสบบุญด้วยเหตุนั้นพระธาตุทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระชนมายุน้อยเหล่านั้นเนี่ยจึงกระจัดกระจายไปเหมือนเศษส่วนของทองคําเหมือนพระธาตุทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคของพวกเราก็แต่กระจัดกระจายเหมือนกับเป็นเศษค่ากับเมล็ดข้าวสาเนี้ยนกะ็แต่กระจัดกระจายไปลายแห่ง มนุษย์ทั้งหลายได้ทําเรือนบรรจุพระธาตุของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเนี่ยในที่แห่งเดียวเท่านั้นคือพระธาตุของพระผู้มีพระภาคพระนาวกษัตริปะให้ประดิษฐานในเจดีโดยส่วนสูงและโดยรอบหนึ่งยอแห่งพระเจดีนั้นมีประตูอยู่สี่แห่งด้วยกันแล้วก็ในประตูแห่งพระเจดีนี้ก็ห่างกันประตูละหนึ่งขาวุฒพระเจ้ากิงกิราช ทรงสร้างหนึ่งประตูประตูซุ้มประตูเข้าพระเจดีย์นะคล้ายๆกับประตูเจดีย์หลวงเรามีสี่ซุ้มประตูใช่ไหมประตูห่างกันหนึ่งข่าวุธคือหนึ่งยอดนี่มีสี่ข่าวุธเพราะฉะนั้นในหนึ่งยอดนี่ยแบ่งออกเป็นแบ่งเป็นสี่ส่วนทีนี้ในประตูอีกประตูหนึ่งก็ราชโอรสพระนามว่าปัทวินทรทรงสร้างหนึ่งประตู อมาตถ้เป็นหัวหน้าของเซนาบาดีทั้งหลายก็สร้างหนึ่งประตูชาวชนบทมีเศรษฐีเป็นหัวหน้าก็สร้างหนึ่งประตูเพราะฉะนั้นสร้างด้วยอิดทองคํเหมนกนอิดก้อนเดียวสำเร็จด้วยทองคาสีสุกปลังและสาเร็จด้วยรัตนะต่างๆเทียบเทียมกับรถแห่งทองคําสีสุกปลังแต่ละก้อนมีราคาหนึ่งแสนกหาปณะนะ มนุษย์เหล่านั้นได้ทํากิดด้วยดินเหนียวหารดานและมโนศิลาทั้งหลายและก็กิดด้วยน้ำด้วยน้ำมันหอมได้ประดิษฐานพระเจดีย์นั้นไว้ก็คือสร้างพระเจดีย์ด้วยลักษณะที่สมบูรณ์น่าเคารพสการะและก็เป็นพระเจดีย์ที่น่าบูชาเมื่อเจดีย์ประดิษฐานแล้วอย่างนี้คือหลังจากที่สร้างเจดีย์เบ็ดเสร็จมีกุลบุตรสองคนเป็นสหายกัน ออกบวชในสำนักของพระสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายคือสมัยก่อนนี้พระผู้ใหญ่พระผู้เป็นสาวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่นแหละจึงจะเป็นอุปชาจึงจะเป็นพระอาจารย์เพราะฉะนั้นพระหนุ่มที่บวชเข้ามาใหม่ๆก็ไปบวชกับสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายพระทั่วไปพระเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาไม่ต้องเป็นอุปชาจะมีอุปชาเฉพาะพระเถระผู้ใหญ่เท่านั้นเอง จากนั้นกุลบุตรเหล่านั้นทั้งสององค์นี่ก็ถามกันว่าก็คือไปถามพระอุปช า, าจานว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในาศาสนานี้มีธุระอยู่เท่าไหร่พระเถระก็กล่าวว่าธุระมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งว่าสัธุระสองปริยัติธุระคือธุระในาศาสนานี้มีสองอย่างด้วยกันในสองอย่างนั้นกุลบุตร ผู้บวชแล้วอยู่ในสำนักของอาจารย์และอุปชายะสิ้นห้าปีบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติทรรมปาติโมกและภาณวาระและสูตรสองสามสูตรให้คล่องแคล่วคือหมายความว่าบวชเข้ามาแล้วอยู่กับครูอุปชาอาจารย์ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนทรงจำได้ห ล, หลายสูตรด้วยกันเช่นอย่า ง, น, าง น, น้อยที่สุดก็ต้องสองสามสูตรจาให้ได้ให้คล่องแคล่วแล้วก็เรียนกรรมฐาน คือเรียนกรรมฐานให้คล่องปากขึ้นใจเรียนให้ให้เข้าใจเลยเบื้องต้นทั้งแต่เบื้องต้นเลยนะว่าลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์เรียกว่าเรียนจนเข้าใจละเอียดไม่มีความสงสัยติดขัดในข้อปฏิบัติโดยไม่มีความอาลัยในตระกูลพระที่จะปฏิบัติวิปัสนาธุระนั้นอะ่ะจะต้องไม่มีอาลัยในตระกูลอาลัยในคารวะญาติโยมเนี่ยไม่มี หรืออะไรในหมู่คณะสืบต่อพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระอาหารหันต์อย่างนี้ชื่อว่าวาสธุระเป็นธุระที่ผู้ที่บวชเข้ามามุ่งหวังที่จะชำระละกิเลสเป็นผู้ที่ต้องการเพื่อจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ส่วนกุลบุตรเล่าเรียนหนึ่งนิกายสองนิกายหรือหนิกายตามกำลังของตนพึงประกอบาศาสนาให้บริสุทธิ์ดีโดยปริยัติและโดยอัด เรียกว่าปริยัตทุระคือเป็นธุระที่เกิดจากการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทรงจำหนึ่งนิกายก็ได้เช่นทีคนิกายสามสิบสี่สูตรก็ทรงจําเอาไว้หรือว่ามัชชิมนิการร้อยห้าสิบสองสูตรก็ทรงจําหรืออาจจะจำสังยุตตนิกายเจ็ดพันกว่าสูตรสูตรสั้นๆหน่อยหรือว่าคำภีร อังคุตรนิกาย9000กว่าสูหรือว่าคุธกานิกาย15คำพีเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทรงจำท่องให้คล่องปากขึ้นใจตามความรู้ตามความสามารถการศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมหรือศึกษาพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาให้รู้คำอธิบายที่ถูกต้องลักษณะเหล่านี้เรียกว่าปริยัตธุระอีกสำนวนหนึ่งเขาบอกคันถะุระกับวิปัสนาทุระ คันธุระก็คือธุระว่าด้วยการศึกษาเล่าเรียนพระคำพีส่วนวิปั ส, สนาธุระก็คือธุระว่าด้วยการปฏิบัติธรรมคือการเจริญวิปั ส, สนาเช่นถ้าหากว่าพระผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องการเจริญอาการ32ก็มีการท่องมีการสวดมีการสาธยายวาจาศักดิ์ว่าเทะด้วยวาจาและก็ตามคิดด้วยใจเช่เนเกสาโลมานะขาธันตา ต, าตาโจ ตะโจนาคาโลมาเกสาอย่างเงี้ยคือทวนกลับไปทวนกลับมาว่าให้คล่องพอคล่องปากเคลื่อนใจแล้วก็พิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยโอกาสใช้วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าใช้วันคืนล่วงไปด้วยการตรึกถึงกรรมฐานทั้งหลายเหล่านี้หรือว่าผู้ที่จะพิจารณาเรื่องขันธาตุอายตนะก็ตรึกเป็นไปตามนั้นทีนี้กุลบุตรสองท่านเหล่านั้นเนี่ย กล่าวว่าบรรดาธุระสองอย่างว่าสัธุระเท่านั้นประเสริฐจะดีที่สุดมันก็ต้องศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติมันจึงจะประสบความสําเร็จสูงสุดก็เลยคิดว่าเอ้พวกเราก็ยังหนุ่มจักบําเพ็ญว่าสัธุระในเวลาตนแก่ก่อนแก่ๆค่อยปฏิบัติวิปัสสนาให้มันจริงจังจักบําเพ็ญปริยัติธุระก่อนจึงปรารบปริยัติ คือปารลในการศึกษาเล่าเรียนท่องจำสวดสาธยายอย่างนี้ท่านทั้งสองโดยปกติเที่ยวก็เป็นคนมีปัญญาต่อการไม่นานนะักก็มีความรู้อันกระทแล้วในพุทธพจน์ ท, ทั้งสิน้นไม่นานเรียนจากอุปชาอาจารย์สา ม, มารถที่จะทรงพระไตวิดกได้หมดเลยโอ้เ<อ>ก่งมากและก็เป็นผู้ฉลาดในการวินิจฉัยในพระวินัยเป็นอย่างยิ่งวินัยเนี่ย 21, พันระธรรมขันเนี่ยนะ เรียกว่าพวกอาบัตทั้งหลายแหล่เนี่ยพระสองรูปองค์เนี่ยฉลาดในพระวินัยปิดกมากอย่างไรเป็นปราชิกอย่างไรเป็นอาบัตสังคาทิเศษอย่างไรเป็นอาบัตทุระใยบัตทุกตทุกพาสิทธท่านแต่ฉานว่าในอาบัตข้อเ น, นี้มีองค์เท่าไหร่ถ้าหากว่าครบองค์ห้าเป็นอาบัตถ้าขาดไปองค์นึงอาบัตก็ลดน้อยตามจํานวนนั้นลงไปท่านเป็นพระที่แตกฉานในพระวินยัย และท่านทั้งสองก็เพราะอาศัยปริยัติอาศัยการศึกษาเล่าเรีย น, น, นก็พอเรียนมีความรู้แตกฉานแล้วก็สแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนประชาชนทั่วไปทีนี้พอแนะนำสั่งสอนอาศัยความรู้ความสามารถอันนี้ก็เกิดบริวารเกินลูกศิษย์ลูกหามาศรธรรมมากขึ้นทีนี้อาศัยบริวารคือลูกศิษย์ลูกหามากก็เกิดลาบสการะลาบสการะชื่อเสียงก็เกิดขึ้น แต่ละรูปนั้นก็มีภิกษุห้าร้อยเป็นบริวารโอ้ใครก็มาอยู่สำนักของท่านอ่ะโอ้ยสององนี้เป็นพระที่มีความรู้แตกฉานใครมีลูกมีหลานก็ฝากลูกหลานไปบวชอยู่กับท่านองค์หนึ่งก็มีลูกศิษย์ห้าร้อยรูปในท่านเหล่านั้นแสดงอยู่ซึ่งาศาสนาของพระาศาสดาเป็นเหมือนกับพุทธการคือพระสององค์เนี่ยแตกฉานมากเวลาท่านแสดงท่านแสดงตามพุทธพจน์เนี่ท่านทรงจําได้หมดทัานลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยโอ้ย มีศรัทธาอาถรรพร่าเรืองศึกษาพระธรรมคําสอนตามครูบาอาจารย์แนะนําประชาชนชาวบ้านก็อ้พากันศึกษาพระธรรมคําสอนฟังพระธรรมกันมากห่างจากวัดนั้นไปอีกวัดหนึ่งมีพิสูจนสองรูปองค์หนึ่งเป็นธรรมมาวะทีพูดเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคําสอนอีกองค์หนึ่งเป็นอะธรรมมาวะทีเป็นคนที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระสององค์นี้ก็อยู่ในวัดใกล้บ้านอะธรรมวาวที พระชั่วนะพระชั่วรูปนี้เป็นคนดุร้ายเป็นคนหยาบคายปากจัดอัชชาจารย์ของพระธรรมวาทีนอกนี้ปรากฏแก่พระธรรมวะที<น>การไปทําพระชั่วรูปนี้เนี่ยท่านทําอะไรเนี่ยพระอีกองหนึ่งนี่รู้เลยว่าโองค์นี้เนี่ยท่านมือพิธกรรมชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นศาสนาเสื่อมแน่ถ้าปล่อยให้พระองค์นี้เนี่ยท่านประพฤติตัวทําชั่วลักษณะนี้นานๆศาสนาของพระผู้มีพระภาคเสื่อมแน่ แต่พระธรรมวาทีก็เตือนพระอธรรมวาทีด้วยอาศัยกรุณาเป็นเบื้องหน้าเป็นปุเรฆาสงสารโอ้ยทําไมท่านไปทําชั่วมากนะักก็เลยไปแนะนําตักเตือนว่าผู้มีอายุกรรมนี้ของท่านไม่สมควรแก่พระาศาสนาท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่สมควรแก่ปริยัติไม่สมควรแก่ปฏิบัติไม่สมควรแก่ปฏิเวทเลยนะถ้าหากว่าท่านทําตัวอยู่อย่างนี้พระาศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไง พระอธรรมวาวทีก็อกคัดค้านพระชั่วรูปนั้นก็ค้านว่าท่านเห็นอะไรท่านฟังอะไรพระธรรมวาวทีก็บอกอีกรูปว่าพระวินัยทรทั้งหลายจักรู้ไอพฤติกรรมของท่านทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่าให้พระวินัยทรนฟังพระวินัยทรเนี่ยท่านจะตัดสินวินิจฉัยท่านตั้งแต่นั้นนี่พระอธรรมวาวทีรู้เลยว่าพระวินัยทรทั้งหลายจักวินิจฉัยเรื่องนี้ไซที่พึ่งในศาสนาของเรานี่ไม่มีแน่ ถ้าหากว่าเรื่องนี้จนถึงพระวินัยทรให้ตัดสินเนี่ยรับรองเนี่ยเราศึกแน่นอนเลยเราไม่มีโอกาสอยู่ในาศาสนาเราถูกสวดถูกอะไรแน่นอนเลยหมายความว่าไม่มีที่พึ่งเลยประสงค์จะทําฝ่ายพระวินัยทรทั้งสององค์นั่นแหละให้เป็นฝักฝ่ายของตนไม่อยากหาพวกแล้วค่ะ น, นี้ก็เลยถือเอาบริขารทั้งหลายนั่นนะก่อนเที่ยวเข้าไปหาพระเถระสองรูปคือเข้าไปหาพระวินัยทรนสององค์นั้นแหละ กล้วก็ถือเครื่องบรรณาการอย่างดีเลยและก็ถวายเพื่อส ม, มณะบริขารปราบรบเพื่อจะอยู่นิสัยต่อพระเถระเหล่านั้นไปขอฝากฝังเป็นลูกศิษย์ท่านทันทีนทเลยฉลาดเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ก็คงไม่ทิ้งเราอ่ะพระธรรมวารีพระชั่วรูปนี้ก็รู้เข้าใจแล้วก็ไปบำรุงพระเถระทั้งหมดเหมือนประสงค์จะบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติโดยเคารพจากนั้นในวันหนึ่ง พระอธรรมวาทีก็ไปสู่ที่บำรุงก็คือเข้าไปคอยรับใช้พระวินัยทรนสององค์ที่มีลูกศิษย์องค์ละห้าร้อยเนี่ยไปบำรุงไปปฏิบัติไปบีบไปนวดไหว้แล้วก็พระเทระเหล่านั้นก็ปล่อยไปอยู่บอกเออเวลาพวกคุณกลับไปพักผ่อนกันได้แล้วก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นนัแหละพระเทระทั้งหลายก็เลยถามพระอธรรมวาทีนั้นว่ามีอะไรจะพึงพูดอีกหรือมีอะไรจะพูดต่อไหม ถ้าะธรรมวาทีก็บอกว่าท่านมีครับผมนี่ไปทะเลาะกับพิสูรรูปหนึ่งเพราะอาศัยอัาจฉารย์ของผมมารยาทของผมเนี่ยผมไปทะเลาะกับพระรูปนั้นพระรูปนั้นก็หาเรื่องผมอะ่ะแต่ก็เพราะความประพฤติของผมเขาก็เลยหาเรื่องกับผมพระพิสูรนั้นมาที่นี้บอกเรื่องนั้นซใช่คือบอกความประพฤติของผมอ่ะนะโปรดอย่าวินิจฉัยตามวินิจฉัยอาจารย์อย่าวิจัยเรื่องนี้เลยนะ คร้ายๆกับทานยกฟ้องเลยอ่ะถ้าเข้ามาฟ้องเรื่องนี้อาจารย์ยกฟ้องเลยนะพระเถระทั้งหลายก็เลยบอกว่าการไม่วินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นตามวินิจฉัยนี่ไม่สมควรทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเรื่องมาก็ต้องวินิจฉัยพระอาธรรมวาทีก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอาจารย์ครับเมื่อท่านทําการวินิจฉัยอย่างนั้นผมจะไม่มีที่พึ่งในศาสนาความชั่วความเลวอันนั้นเนี่ยจงยกให้ผมเถอะ ความผิดความชั่วเลวทรามอย่างนั้นเอาไว้ให้ผมแต่เพียงผู้เดียวเธออาจารย์ไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเพียงแต่อาจารย์อย่าวินิจฉัยนั้นบาปก็บาป ก, าปก็เรื่องของผมก็แล้ว ก, กันเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าวินิจฉัยเรื่องนั้นพระวินัยทรเหล่านั้นเนี่ยถูกพระอธรรมวาทีบีบคั้นอยู่อย่างนั้นคือหมายคำว่ากินสวยเข้ามาเยอะแล้วอะ่ะเขาเอาสวยเอาของอย่างนูน้นอย่างนี้มาถวายเยอะแล้วมันก็ถูกเขาพูดซักไซสอย่างนี้อ้าวเราก็ฉันของเขามาตั้งเยอะแล้วจะทำยังไงล่ะคะนี้ คือตามธรรมดาของคนส่วนใหญ่จะกระตันอยู่กระตาเวทีใช่ไหมพอคนที่เขามีบุญคุณกับเรามากๆขึ้นขอร้องปั๊บเราก็สงสารน่ะนะก็เลยยอมรับไม่เป็นไรไปเถะเดี๋ยวผมแค่นี้ผมเลิกฟ้องให้ก็ได้ไม่อยา่างพระอรรมวาทีนั้นก็รับปฏิญญาของพระวินัยทรเหล่านั้นแล้วก็ไปสู่อาวาสพระอรรมวาทีเนี่ยพอรู้ว่าทางพระผู้วินิจฉัยตัดสินเนี่ย ศาลเนี่ยดูว่ายกฟ้องเนี่ยเราได้พวกแล้วก็กลับไปวัดเลยไปถึงก็ไปเล่นงานพระธรรมวาทีไปเล่นงานพระดีเลยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจบแล้วท่านในสํานักของพระวินัยทอนแล้วก็ดูหมิ่นพระธรรมวาทีนั้นให้หนักข้อยิ่งขึ้นแล้วก็พูดหยาบคายมีคําด่าคําเสียดสีทําให้พระธรรมวาทีพระดีๆในวัดนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้ ขายเนี่ยในวัดแบ่งออกเป็นสองฝ่ายใช่ไหมกลุ่มพระดีกับกลุ่มพระชั่วพระชั่วเนี่ยพอได้พวกคือฝ่ายศาลฝ่ายตัดสินได้เป็นฝ่ายตัดสินเป็นสมัครพรรคพวกเข้าแล้วก็กลับไปหาเรื่องที่วัดคืนนะคะนี้พระธรรมวาทีก็เลยคิดว่าพระอธรรมวาทีนี้มีที่อิงอาศัยแล้วโอ้องค์นี้ฉลาดเนาะฉลาดเนาะหาสมัครพรรคพวกไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยออกจากวัดทันทีไปหาพิสูจน์หนึ่งพันรูป ทีสูตรสองรูปนี้รูปหนึ่งมีบริวาร500ใช่ไหมก็เลยรวมเป็นพันหนึ่งซึ่งเป็นบริวารของพระเถระทั้งหลายก็เลยกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระเถระควรวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมไม่ใช่หรืออุปชฌาอาจารย์ของท่านเนี่ยหรือพระเถระผู้ทรงไว้ซึ่งคุณในศาสนาเนี่ยท่านควรวินิจฉัยเรื่องในศาสนาไม่ใช่หรือหรือไม่ให้ระลึกให้แสดงความล่วงเกินแก่กันและกันแ ล, นแล้ว พึงทำความสามคัคคีหรือไม่ก็น่าจะเอาสององค์นี่มาอมชอมต่างคนมาตั้งอยู่ในศีลในธรรมนี่ทำไมปล่อยไปอย่างนี้แต่พระเถระเหล่านี้ไม่มินิจฉัยเรื่องเลยไม่ทำความสวัสดีนี่มันเรื่องอะไรกันพระเถระอาจารย์เนี่ยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านน่าจะตัดสินใจท่านน่าจะตั้งอยู่ในธรรมนะท่านไม่น่าให้เรื่องมันยาวมาขนาดนี้ไม่น่าให้เรื่องมันเสียหายกันขนาดนี้เลย พระทั่วไปก็วินิจฉัยถึงพระเทระสองรูปจากนั้นพระอธรรมวาทีก็ได้โอกาส